วันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราวันนี้เป็นวันสำคัญด้วยคือวันนี้เป็นวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2551วันนี้ตรงกับวันพระแรม8ค่ำเดือนหนึ่งเพราะนั้นถือว่าเป็นวันปฏิบัติธรรม ของพวกเราปฏิบัติมาโดยสม่ำเสมอปีนี้เป็นปี2551หแปลว่าชีวิตของพวกเราผ่านไปละปีหนึ่งขยับเข้าไปเรื่อยๆเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้อยู่ในอัปมาณธรรมคือตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ก็ไม่ประมาทคํานี้พระพุทธเจ้าเตือนเป็นวาระสุดท้ายที่พระพุทธองค์จะปรินิพานท่านยังเป็นห่วงพวกเราพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทของพระองค์พระองค์เตือนว่าขยะวยธรรมมาสร้างฆ่าราอัปมาเดนะซ้ำปาเดธะขยะวยะธรรมมาสร้างฆ่ารานะ สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงอปมาเดนะซัมปาเดธะขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอันนี้ก็คือเป็นคําที่สั่งเสียเป็นคําที่เป็นห่วงที่พระพุทธเจ้ามีพระเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั่วโลกเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท, ท่านที่เป็น ศาสนิคชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสัมมเนนเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้โอปัญิโกน้อมมหาตัวของเราแต่ละวันแต่ละเวลาอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้เตรียมพร้อมไว้อยู่เสมอการเตรียมพร้อมนั่นคืออะไรก็คือทำ เรื่องจิตตภาวนาสั่งสมคุณงามความดีแต่ให้ทานรักษาศีลภาวนาแต่พวกเราท่านทั้งหลายอยากจะให้เน้นเรื่องจิตตภาวนามากกว่าเพราะเรื่องทานศีลภาวนาพวกเราก็ทํามาโดยสม่ําเสมออยู่แล้วแต่เรื่องจิตตภาวนาเนี่ยพวกเรายังห่างเหินกันอยู่ถึงจะเป็นนักพรษนักปวด ผู้เสียสละมาแล้วบางครั้งก็ยังห่างไกลหรือว่ายัางวันหนึ่งทำอย่างไม่เต็มที่สรุปแล้วยังชลาใจอยู่ยังตั้งอยู่ในความประมาทอยู่เพราะฉะนั้นอยากจะให้ทําให้ขมักขมิ้นหรือว่าทําให้มากกว่านี้ถ้าเราคิดได้คิดทํา หือบางวันบางครั้งธุระการงานอย่างอื่นมีเราก็ห่างเหินไปอันนั้นแปลว่ายังตั้งอยู่ในความประมาทอยู่แต่ถึงยังไงถ้าหาว่าเป็นไปได้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอยากจะให้พิจารณาหรือว่าทบทวนไตรตรองเรื่องตัวเองไว้อยู่เสมอแต่ละวันแต่ละเวลาใครก็ว่าให้คิดอยู่เสมอว่าวันนี้เราทําอะไรไปบ้าง เราห่างจากธรรมะภาคปฏิบัติไปบ้างไหมวันนี้คล้คยๆว่าใ ห, ให้ย้อนแต่ละวันแต่ละวันเหมือนกับเหมือนกับเราทำมาค้าขายอย่างนั้นคือร้านค้าของเขาเขาจะต้องปิดงบบัญชีแต่ละวันวันนี้ได้ทำมาค้าขายอะไรไปบ้างเขาจะได้รู้ว่าขาดทุนกำไรอย่างไรอันนี้ก็เหมือนกันการประพฤติปฏิบัติของพวกเรา ก็น่าจะทําอย่างนั้นวันนี้เราได้คิดปล่อยปะละเลยทางด้านจิตใจไปทางไหนบ้างเราปล่อยปะละเลยเกินไปแล้วใช่ไหมหรืออย่างไรอันนี้ถ้าหากว่าพวกเรามีความตั้งใจมีความมุ่งวัน่นมีความพยายามอยู่นั่นแหละธรรมะดู่ด้านจิตใจของพวกเราก็จ ะ, จะเจริญ ง, งอกงามขึ้นเรื่อยๆนะ มีคนเมื่อวานมีคนถามปัญหามีคนถามหลวงพ่อเขามีความข้องใจคือเขามาภาวนาอยู่ที่วัดของเราก็มีบางคนก็บอกว่าให้ภาวนาพุทธโธกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเวลาก้าวเดินก็ให้บริกรรมขาขวาพุทขาซ้ายโทแต่เขาฝึกมาทางยุคหนอพองหนอ ทีนี้พอมาทำภาวนาพุทธโธเขาก็เลยสับสนในการเป็นการปฏิบัติธรรมของเขาอันนี้เขาก็ขึ้นไปถามหลวงพ่อแล้วว่าเขาจะให้เขาทําอย่างไรเพราะเขาฝึกมาทางยุบหนอพองหนอหลวงพ่อเองก็ตอบว่าถ้าว่าเรารู้เรื่องเราศึกษาในหลักพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ไม่น่าจะสับสนเพราะว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสท่านบอกแนะนำพวกเราพุทธบริษัทพระพุทธองค์เรื่องจิตตภาวนาเนี่ยท่านก็ให้เน้นไปทางสติปัฏฐานสี่นี่แหละเป็นเบื้องต้นสติปัฏฐานสี่คืออะไรกายเวทนาจิตธรรม ถ้าว่าเราบริกรรมพุทธโธกับกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเราใช้ลมหายใจเป็นกายใช่ไหมเราก้าวเดินขาขวาพุทขาซ้ายโธเป็นกายใช่ไหมถ้าว่าเรากำหนดลมหายใจเข้ายกหนอ่อหรือหายใจออกพองหนอยุบหนอพองหนอเวลาก้าวขาเดินก้าวหนอยกหนอ เราเอาอะไรก้าวหนอยกหนอเราเอาอะไรหายใจเข้ายกหนอพองหนออันนี้ก็คือกายถ้าจะว่าไปแล้วก็คือให้มีสติอยู่ในกายถ้าเมื่อมีสติอยู่ในกายแล้วมันก็เหมือนกันอยู่ในเขตของสติปฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมเพราะนั้นให้จะมีสติอยู่ในกายอันนี้ก็คือเป็นการฝึกเบื้องต้นทำจิตให้สงบ ก็เข้าทํานองที่หลวงพ่อเคยพูดมาหลายครั้งตัอหลายหนที่ว่าแมวจะเป็นสีอะไรจับหนูได้ไปว่าใช้ได้อันนี้ก็เหมือนกันจะกำหนดกรรมาฐานไหนก็ตามแต่ว่าจิตเข้าสู่ความสงบได้อันนั้นไปว่ากรรมาฐานนั้นมีสาระมีประโยชน์มีคุณค่าสำหรับคนคนนั้นแต่ถ้าบางคนอาจจะไม่มีประโยชน์ สำหรับเขาเขาต้องเปลี่ยนกรรมฐานอื่นเอามาบริกรรมเอามาปฏิบัติอันนี้ก็คือสติปัฏฐานสีกายส่วนเวทนาเวลาหายใจเขา้ารู้ว่าหายใจอันนี้คือเวทนาการเคลื่อนไหวของร่างกายเวลาเจ็บแข้งปวดขาหิวกว็าหายร้อนหนาวอันนี้ จ, จัดว่าเวทนาทั้งหมดเวทนาทางกาย ส่วนเวทนาทางจิตก็คือสิ่งที่มากระทบเป็นทุกข์จิตทุกใจอันนั้นเวทนาทางใจอันนี้เราจะไม่พูดถึงเวทนาทางใจเราพูดถึงเวทนาทางกายก่อนเวลาเรานั่งนานเราก็ปวดแข้งปวดขาปวดเอวปวดที่ไหนไหนในร่างกายของเราสรุปแรกก็คือเป็นสิ่งที่ไม่สบายถ้าไม่สบายแล้วว่าทุกขเวทนาถ้านั่งอุ่นสบายอันนั้นฝันสุ ข, ขเวทนา มันสุขเวทนาทุกขเวทนามันก็มีสองอีกเหมือนกันอันนี้ก็วเวทนานุปัฏนาสติปัฏฐานจิตตานุปัฏนาสติปัฏฐานก็คือจิตที่ไปรู้ใจที่ไปรู้รับรู้สิ่งต่างๆเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างอย่างนี้นคือจิตหรือจิตเฉยเฉยจิตเป็นกลางๆางก็เป็นจิตเหมือนกันรับรู้เรื่องต่างๆได้รู้ดีรู้ชั่ว รู Savior, ้เรื่องนั้นรู้เรื่องนี้ไปรับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้แบกเรื่องนั้นเรื่องนี้รับทราบเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาอันนี้ว่าจิตตานุปัสนาสติปัฐานทำมาโนปัจนาสติปัฐานคือสิ่งที่มากระทบใจบางทีก็พอใจบางทีไม่พอใจบางทีก็ทุกข์ใจบางทีก็สุขใจเรียกว่าทำมารมณ์ที่มากระทบจิตอารมณ์ที่มากระทบใจ อันนี้ว่าธรร ม, มานุปัสนาสติปัฏฐานเราจะพิจารณาอะไรทั้งสติปัฏฐานสีนะ่นั้นจะเอาธรรมาก็ได้จิตตาก็ได้เวทนาก็ได้กายาก็ได้หรือจะเอากายาก็ได้เวทนาก็ได้จิตตาก็ได้ธรรมาก็ได้แต่ว่าเอาอันใดอันหนึ่งเหมือนกันถ้าจับอันใดอันหนึ่งแล้ว แต่พ่อแม่กูบายจานสายหลวงปู่มั่นท่านจะให้พิจารณาถึงกายานุปัชนาสติปัฏฐานเป็นหลักเพราะกายเนี่ยของจาบมันมองเห็นได้รู้สึกได้เห็นได้ในความรู้สึกเราแต่ถ้าว่าเราเห็นกายแล้วกําหนดกายแล้วรู้กายแล้วจะพิจารณาเวทนาก็เห็นได้จะ ก, กําหนดถึงใจก็เห็นได้ กำหนดถึงธรรมมารมก็เห็นได้มันสิ่งเหล่านั้นละเอียดกว่ากายแต่ขนาดกายยังจับไม่ได้กำหนดไม่ได้กำหนดลมหายใจก็หลุ ด, ลดขา ด, ขาดออมันเผลอไปเวลาไหนเราก็ไม่รู้แล้วเราจะพิจารณาถึงเวทนาก็ยิ่งขาดไปอีกหรือพิจารณาถึงจิตนึกคิดอะไร ก็ยิ่งห่างไปอีกทำมารมก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราพิจารณากําหนดถึงกายสติของเราอยู่ในกายไม่เผลออย่างเนี้ยธรรมะส่วนอื่นๆที่เราได้ที่เราจะพิจารณาเราก็จะชัดเจนขึ้นในความรู้สึกของเรานี่แหละอันนี้ก็คือพิจารณาหรือกําหนด ในสติปฐานสีกายเวทนาจิตธรรมแต่มีคำถามเข้ามาอีกว่าขณะที่เรานั่งภาวนาอย่างนั้นเราจะรู้ได้ด้วยอย่างไรว่าเราสติของเราดีสติของเรากาหนดได้กาหนดเห็นหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเอาแบบง่ายๆก็แล้วกันคือเวลาเราหายใจเข้าให้เรานับหนึ่ง เวลาเราหายใจออกให้เรานับสองเวลาหายใจเข้าเรานับสามหายใจออกนับสี่นับห้านับหนับ7สรุปแล้วก็คือหายใจเข้าเป็นเลขขี้หายใจออกเป็นเลขคู่ให้นับถึงร้อยถ้านับถึงร้อยและแสดงว่าสติของเราดีประมาณหนึ่งนาทีและ น, นาทีกว่า แต่ถ้าว่าเราสติของเราขาดหรือมันเบอร์เบอไปในขณะที่เรานับห้าสิบหกสิบเนี่ยหายใจเข้าหกสิบสองหายใจออกหกสิบสามอย่างเนี้ยแสดงว่าเราขาดสติของเราขาดแล้วช่วงนั้นไม่ต้องถามใครนี่เรารู้ด้วยตนเองเลยว่าสติของเราดีแล้วไม่ดีอย่างในอย่างไรมากน้อยแค่ไหน นี่ะอันนี้ก็ขอให้ไม่ต้องถามใครอื่นเลยจะติดของเราสมควรเหมาะสมขนาดไหนอย่างไร เ, เพะฉะนั้นการปฏิบัติต้องเป็นอย่างนี้จากนั้นเขาก็ถามเกี่ยวกับทำไมจึงให้คนทั้งหลายปฏิบัติเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้เชื่ออย่างเดียวใช่ไหม พระพุทธเจ้าสอนให้เชื่ออย่างเดียวใช่ไหมหลวงพ่อก็บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เชื่อแต่เป็นผู้แนะแนวแนะแนวทางปฏิบัติส่วนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็สุดแท้แต่เมื่อท่านปฏิบัติแล้วไฟมันร้อนนะถ้าไปจับไฟมันร้อนนะอันนี้คือการแนะแนวการบอกแต่ถ้าเราไม่เชื่อว่าไฟมันร้อนหรือไม่ร้อนเราไปจับดู เราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าอันนี้ไฟมันร้อนหรือน้ําแข็งมันเย็นอย่างนี้เราจะรู้ได้โดยตนเองแต่พระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้แนะนํำตนเองพระพุทธเจ้าไม่ได้จับให้ดูท่านไม่ได้จับน้ำไม่ได้จับไฟให้ดูเป็นผู้แนะเท่านั้นเองอันนั้นเป็นโทษนี้อันนี้เป็นคุณนะแต่สําหรับผู้ปะจะปฏิบัตินั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ ตัง้งศรัทธาคือความเชื่อผู้แนะนําไว้ก่อนพระพุทธเจ้าเป็นผู้หวังดีต่อพวกพุทธบริษัทเพราะพระทําความสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นคิดในแง่ของทานก็ดีของศีลก็ดีในแง่การการอยู่ร่วมกัน ห, หลายหด้านก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นเป็นธรรมเป็นนิยานิกธรรมนําผู้ประพอติธปฏิบัติให้ร่มเย็นเป็นสุขเพราะฉนั้นพระพุทธองค์ท่านตรัสอว่า คนตายแล้วไม่ศูนย์ตายแล้วเกิดอีกอย่างเนี่ยพระพุทธองค์ก็ไม่ใช่ว่าจะเอาแสดงฤทธิ์หรือว่าแสดงเดชให้พวกเรารู้เห็นเป็นแต่เพียงว่าแนะนําให้พวกเราปฏิบัติในเมื่อเราลงมือปฏิบัติตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพาปฏิบัติพระพุทธองค์ก็เป็นผู้ปฏิบัติเองไม่มีเท ว, วดาอินพรมที่ไหนปฏิบัติแทนท่านท่านเป็นผู้ปฏิบัติเองท่านได้ตัดสู้เอง ในเมื่อท่านได้ตัดสรู้แล้วท่านก็นำทำคาสอนอวัดแนวทางปฏิบัติของท่านมาชี้นําชี้แนะให้พวกเราอีกทีหนึ่งตอนนั้นพวกเราในฐานะพุทธบริษัทเราก็ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าชี้นําชี้แนะนั้นอ่าเราก็ลงมือประพฤติปฏิบัตินั่งสมาธิอย่างไรกําหนดลมหายใจเข้าออกอย่างไรจิตใจทํำยังไงจึงจะสงบในเมื่อเราทําถูกที่ถูกทางแล้ว นั่นแหละท่านจิตของเราเข้าสู่ความสงบเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่านัตถิสันติปรังสุขขังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้เมื่อสองพันกว่าปีเมื่อเราจิตสงบแล้วโอ้มีความสุขจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้บอกได้กล่าวเอาไว้ไม่เป็นอย่างอื่นจริงจริ ง, จ, รงจิตใจสงบเย็นจริงจงิมีความสุขจริงๆอันนี้พวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเอง ในเมื่อเรารู้ได้โดยตนเองเป็นขั้นแรกคือจิตสงบแล้วเราก็ต้องพยายามว่าเชื่อในอกตัวเองว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนย์ตัวไหนศูนย์ตัวไหนเกิดอันไหนเกิดอันไหนศูนย์ตายแล้วศูนย์คืออะไรอันนี้เราจะรู้ได้ด้วยตนเองอีกเหมือนกันว่าร่างกายนี่ศูนย์แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นแต่ส่วนจิตใจนั้นจะต้องไปปฏิสนธิไปเกิดในภพภูมิต่าง ในขณะที่จิตใจของเรายังไม่รู้แจ้งเห็นจริงยังไม่เป็นอริยะบุคคลแต่ถ้าว่าท่านผู้ใดภาวนาตามจิตทำใจให้หลุดพน้นตามขั้นตอนตามที่พุท ธ, ธะแนะนำสั่งสอนแล้วเป็นอริยะบุคคลตั้งแต่พระโสดาสกทาคาอนาคาอรหรันพวกเราก็จะรู้ได้ตามลำดับลาดับนนั้นไม่มีปัญหาเพราะท่านรู้แจ้งเห็นจริงตามลำดับขั้นตอนไปแล้ว แต่นอกเหนือจากพระโสดาบันลงมาเนี่ยที่เป็นคติที่ไม่แน่นอนจุดนี้เป็นจุดที่พวกเรายังได้ถกเถียงกันยังได้มีความสงสัยกันอยู่นี่แหละแต่ที่ถามที่หลวงพ่ออธิบายเมื่อเช้านี่ก็อีกส่วนหนึ่งเหมือนกันมีความจำเป็นไหมที่คนจะต้องภาวนาจะต้องมาปฏิบัติ เ็าตามปกติเขาก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วเขาก็มีความสุขของเขาตามโลกวัตรทสงสารของเขาถ้าว่าพระเป็นผู้แนะนาสั่งสอนเพอเพอพระยังเป็นผู้แนะนำเหมือนกับต้องการทรัพย์สมบัติของเขาให้เขามาบริจาคทำบุญทำทานอย่างนี้แต่เขาก็ไม่พูดตรงขนาดนี้แต่ลักษณะเป็นอย่างนั้นคืออาชีพของพระเป็นอย่างหนึ่ง ถ้าโลกเขาพิจารณาเขามองเพ่งมองไปอีกนนในลักษณะหนึ่งแต่จุดนี้ท่านจะมีความเห็นว่าอย่างไรอันนี้หลวงพ่อก็บอกว่าพระไม่ใช่หน้าที่ที่จะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นพระตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้วพระท่านก็มีความมุ่งมั่นมีการตะเกียกตะกายเสาะแสวงหาทางพ้นทุกข์ของท่านเหมือนกันแต่ถ้าว่าพระมีความสุขอย่างที่พวกโลกทั้งหลายสมมติขึ้นมาแล้วต้องการขึ้นมาแล้ว พระก็คงจะบวชมากกว่านี้อันนี้ที่พระที่ผู้หาผู้ที่จะบวชยากเนี่ยเพราะว่าพระนต้องต้องต่อสู้ทางด้านจิตใจอย่างมากๆอย่างหนักหน่วงทีเดียวถ้าเป็นอย่างพระยิ่งเป็นพระกรรมฐานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามแนวแถวของพุทธะนะถึงจะเป็นพระกรรมฐานพระที่ไหนก็ตามทั้งว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามแนวแถวของ หลักพระธรรมพินัยหลักพระธรรมคาส่องสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นพระที่นาา่ากราบไหว้สักการะบูชาเพราะว่าในพระวินัยกฎระเบียบของพระวินัยศีลของท่านเราศึกษาดูก็แล้วกันท่านไม่ให้เป็นผู้สังสมโลภโหโมกณะเป็นผู้เสียสละต่อชุมชนและสังคมเป็นผู้พยายามฝ่าฟันอุปสรรคหาทางพ้นทุกข์ ยัางไรจึงจะพ้นทุกข์โดยเร็วท่านไม่ได้คิดมุ่งหวังอย่างอื่นแต่พวกเรามายุคนี้สมัยนี้ถ้าหากว่าเราคิดมุ่งหวังอย่างนั้นอาจจะมีบางองค์บางท่านก็มุ่งหวังอย่างที่พวกเราเข้าใจแต่ว่าบางองค์ที่ท่านปฏิบัติตามแนวแถวของพุท ธ, ธะตามหลักพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นพระที่มักน้อยสันโดษ อภิชาตาเป็นผู้มักน้อยสันตุถิกถาเป็นผู้สันโดษถ้าหากว่าปฏิบัติได้อย่า ง, ง น, นั้นนั่หละคือปฏิบัติตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าแต่สำหรับคราวัตญาติโยมผู้ลงมือปฏิบัติจำเป็นไหมที่จะต้องเข้ามาสู่วัดวาศาสานาเข้ามาสู่วงการของการฝึกศีล ส, สมาธิปัญญาเราอยู่แบบอิสระเราก็ไม่ได้บียดเบียนใคร ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเราสอบแสวงหาทรัพย์ตามอัตภาพเงินคำทรัพย์สมบัติของเรามีสาบีภรรยาของเราอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นผาสุขการเป็นอยู่ของเราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมีแต่คนมีอุปสรรคหรือว่าคนมีทุกข์ในใจเท่านั้นถึงจะวิ่งเข้าหาธรรมะเพื่อเป็นหาเอาธรรมะมาเป็นเครื่องบังคับประดับจิตใจให้ได้รับความ สงบเอาธรรมะเข้ามาระงับจิตใจของคนที่มีทุกข์แต่คนไม่มีทุกข์อยู่แล้วเขามีสุขอยู่แล้วเป็นอยู่การอยู่การกินเขาอยู่ตามอัตภาพไม่เห็นที่จะจำเป็นจะต้องเข้าสู่วัดวาศาสนาไม่เห็นไม่เห็นจำเป็นจะต้องเขาไปศึกษาธรรมะเขาก็มีความสุขอยู่แล้วอันนี้ก็คือความคิด ความเห็นของคนส่วนหนึ่งแต่ถึงยังไงก็ตามคนส่วนนี้เขาก็คิดเพราะว่าเขามีความสุขคนที่มีความทุกข์เท่านั้นจึงจะเข้าวัดอันนี้คือเขาเพ่งมองอีกในในระดับหนึ่งแต่ตามไม่จริงทาคําสั่งสอนของพระพุทธยาวพระพุทธองค์ถ้าจะเปรียบเทียบพระพุทธองค์เองก็เป็นกษัตริย์ สมบูรณ์ทุกอย่างในการเป็นอยู่แต่พระพุทธองค์ที่เห็นโทษได้เห็นภัยที่หนีออกไปบวชนั้นก็คือเห็นความแก่ความเจ็บความตายนึกย้อนหลังไปในอดีตปู่ย่าตายายของพระองค์ไม่รู้กี่ยุ ก, กี่สมัยทิ้งทรัพย์สมบัติเอาไว้ไม่มีใครที่จะนำติดตัวไปด้วยตายไปแล้วก็ทิ้งกอง กระดูกเอาไว้เท่านั้นเองไม่ได้นำสิ่งไหนไปด้วยตอนนี้พระองค์ก็นึกย้อนมาถึงตัวพระองค์เองถ้าเราอยู่ต่อไปเราก็ต้องทิ้งอย่างปู่ย่าตาทวดเหมือนกันเพราะนั้นจะทำยังไงเราจึงสสแสวงหาสิ่งที่ไม่ตายเหมือนกับหาวิทยาศาสตร์อย่างนั้นน่ะไอ้คนมันคิดต่างกันแต่นี้เป็นบุญบา ร, รมีของพระพุทธองค์ที่บัณท่านบาเพ็ญมาสมบูรณ์แล้ว เต็มเปลี่ยมรแล้วที่จะได้ตรัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพราะนั้นพระองค์ต้องคิดแปลกแตกต่างกว่าคนทั้งหลายจากนั้นพระองค์ก็ได้หนีออกจากเวียงวังที่ว่ามีความสุขที่สุดคือโลกทั้งโลกเขาต้องการปรารถนาอย่างศีรษะเป็นอยู่แต่นี้พระองค์มองเห็นแล้วว่านี้ต่อไปภายภาคหน้า ความสุขจุดนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงความสุขจุดนี้ต่อไปภายภาคหน้าความทุกข์มหันจะต้องฆ่าชีวิตของเราเราจะต้องจากไปแบบไม่มีวันกลับตัวอย่างที่ปู่ย่าตายายเป็นมาแล้วอันนี้พระองค์ก็หนีออกไปบวชที่ได้ค้นคว้าอยู่ทั้งหกปีจึงได้ตัดสรุรรม จากนั้นนําพระธรรมคําสั่งสอนมาเผยแผ่ขยายผลพระสงฆ์ทั้งหลายผู้สดับตับฟังจากพระพุทธเจ้านามาประพฤติปฏิบัติเป็นลําดับลําดับมาจนถึงยุคปัจจุบันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ท่านได้บรรุมักผลนิพพานก็อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นกระดูกอัธิธาตุของท่านได้กลายเป็นพระธาตุแต่ทีนี้ท่านก็ได้บําเพ็ญมาในความรู้สึกของท่าน ท่านก็มองโลกท่านไม่ได้มองแบบดูถูกเยียดยามแต่ท่านมองตามความเป็นจริงท่านก็บอกว่าโลกน่ยถ้าจะว่าไปแล้วคนที่ติดอยู่ในโลกเหมือนกับหมูหรือว่าไก่หรือว่าสัตว์อยู่ในยุง้งในเล้าในคอกวัวควายอยู่ในคอกอย่างนั้นอ่ะเอออย่างที่ว่างววัวขุนอย่างนั้นน่ะต้องการอะไรเขาก็ให้กินทั้งหมด เพื่อจะให้มันอ้วนทวนสมบูรณ์อันนี้ก็เหมือนกันพญามัร จ, จุราชถ้าจะว่านเลี้ยงก็ใช่จ้องอยู่ก็ใช่ทีนี้เราก็เลี้ยงเราให้สมบูรณ์ทุกอย่างการเป็นอยู่ของเราก็ทุกอย่าง เ, เป็นหนุ่มเป็นสาวการศึกษาทํามาหาเลี้ยงชีพเสาะแสวงหาเงินคำทรัพย์สมบัติมีครอบมีครัวมีลูกมีเต้ามีพี่น้องเพื่อนฝูง มีความสุขในอัตภาพของแต่ละครอบครัวแต่ละชาติชั้นวันนะใครอยู่ที่ไหนเขาก็ว่ามีความสุขในจุดนั้นๆแต่พระอริยะเจ้าทั้งหลายพูดพ้นจากวัตฏสงสารพ้นจากกิเลสราคะโทสะแล้วท่านมองท่านไม่ได้มองแบบดูถูกแต่ท่านมองตามความเป็นจริงท่านว่าความสุขทางโลกเหมือนหมูอยู่ในเลา้าอีกสักวันหนึ่ง เมื่อเขาเลี้ยงได้ขนาดพอได้ขนาดแล้วน่ะพญามัจจุราชหรือเจ้าของหมูเหล่านั้นเขาก็ขายหมูออกไปในเมื่อขายออกไปเขาขายไปทำอะไรขายไปทำอาหารจากนั้นค้อนเขาก็ทุบหัวหมูแล้วก็เชือดคอหมูหมูตัว น, นั้นก็ล้มหายตายจากไปแล้วหมูตัว น, นั้นถ้าว่าหมูตัว น, นั้นยังฟื้นขึ้นมาได้ หมูตัวนั้นจะบอกได้ไหมว่าขณะที่อยู่ในกรงของเรานะมีความสุขมากมีความสุขเป็นที่พึงปรารถนาอย่างมากถ้าไปถึงจุดนั้นแล้วหมูตัวนี้นมันก็คงจะบอกว่าความสุขอยู่ในกรงนั้นเป็นความทุกข์ที่มหันในขณะที่ใจจะขาดที่เขาทุบหัวของเรามันหาความสุขไม่ได้เลยมันบวกลบคูณหารไปแล้ว ความทุกตัวนี้มากกว่าที่ความสุขที่ผ่านผ่านมาเทียบกันไม่ติดความสุขอันนั้นเป็นความสุขเพียงน้อยนิดเท่านั้นเองแต่ความสุขอันนี้เป็นความสุขมหันถ้าหมูตัวนั้นยังไม่ตายมันก็คงจะออกมาพูดได้แต่ทีนี้หมูตัวนั้นมันตายไปแล้วมันไม่มีเครื่องต่อรองที่จะมาพูดได้อีกเพราะมันตายแล้วอันนี้ก็เหมือนกันชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายถ้าจะว่าความสุข เกียงเหลือให้พวกเราคิดทบทวนดูให้ดีในเมื่อสมัยน้อยหนุ่มมีความสุขส่แสวงหาทรัพย์ได้เงินคำทรัพย์สมบัติพี่น้องสามีพัญญาถูกอกถูกใจสะดวกสบายแต่พออีกสักวันหนึ่งพวกเราไปนอนอยู่ในห้องไอซีูว้าเหวอ้างว้างเงียบเหงาเศร้าซึมไม่มีใครเข้าไปเยี่ยมนอนตามลำพัง จุดนั้นไปถามดูสิว่าเป็นยังไงเขามีความสุขไหมอันนี้ก็คงจะไม่มีใครถามถ้าถามก็ไขว่ไขว่าเป็นการเย้ยหยันในการเก็บไข้ได้ป่วยเพราะมันเป็นความทุกข์อย่างสุดๆตามลําพังอยู่แล้วจากนั้นเขาก็มีสติบ้างไม่มีสติบ้างเผลอไปบ้างลืมหลงไปบ้างละเมอไปบ้างผลที่สุดเขาก็ใจขาดไป ก็ไม่มีโอกาสที่จะกลับมาพูดอีกแต่ผู้ที่กลับมาพูดอีกถ้าเข้าห้องผ่านห้องไอจีแล้วกลับมาพูดอีก <c oughs> เขาก็คงจะพูดไม่เต็มปากเต็มคําเหมือนกันว่าชีวิตของข้าพเจ้ามีความสุขจริงๆไม่มีความทุกข์เลยเขาคงจะพูดอย่างนั้นลําบากเพราะเขาเหยียบเช่นแดงมาแล้วผ่านเกือบว่าเหยียบเช่นแดงมาแล้วเกือบเอาตัวไม่รอดแล้วยังถอยกลับมาอีกแต่เขาก็ขยาดเหมือนกันอีกต่อไปภายภาคหน้า ข้าจะต้องเจอจุดนั้นอีกแน่นอนถ้าถามเขาว่าเขามีความสุขไหมตอนที่เขาจะล้มหายตายจากไปนั้นที่จะต้องพัดภากไปนั้นเขาก็คงจะตอบไม่ได้เหมือนกันว่ามีความสุขแต่ในใจลึกๆแล้วเขาก็หวัดหวัดเหมือนกันนี่แหละไม่มีใครที่จะสนุกสนานเพลิดเพลินกับมรณงเมบตัวนั้นมรณะตัวนั้น เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าโลกใบนี้ไม่น่าอยู่จะทํายังไงจึงจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารอีกท่านจึงค้นคว้าขุดค้นหาหลักวิชาการเอามาปรับปรุงแก้ไขกายใจของพระ อ, องค์เอามาปรับปรุงใจของพระ อ, องค์ให้อยู่ในระดับให้สลัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจ ให้จิตใจบริสุทธิ์เป็นอริยะบุคคลขึ้นมานี่ละ่ะอันนี้พระพุทธองค์จึงได้เน้จึงได้ออกบวชแล้วก็นแนะนาพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังขั้นตอนระหว่าการเรียงลำดับที่หลวงพ่อได้กล่าวให้ฟังหลวงพ่อคิดว่าเป็นอย่างที่หลวงพ่อพูดไม่เป็นอย่างอื่น เราจะนั่งคิดยืนคิดเดินคิดทําอะไรคิดก็าตามคิดดูให้ดีในเสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนําสั่งสอนกับพระษาวกจริงๆไม่เป็นอย่างอื่นแต่ว่าพวกเราจะหาวิธีการอย่างไรที่จะเดินตามแนวแถวพุท ธ, ธะที่ท่านได้ตัดรู้ธทำที่บรรลุมรคนิพานไม่วาเวียนไหวาตายเกิดที่ว่านิพพานังปรามังสุขขัง นิพพานังประมังศูนย์ยังจะทํายังไงจะทําให้เชื้อในจิตใจของเราศูนออกจากใจของเราให้จิตใจของเราบริสุทธิ์ไม่ให้มีกิเลสตัวไหนมารบกวนใจของเราให้เป็นผู้ชี้นาชี้แนะเข้ามาบัญชาในใจของเรากำจัดกิเลสออกหมดออกออกมาจากจิตใจจิตใจบริสุทธิ์ดุดพ้นรู้แจ้งเห็นจริง เกิดความเบื่อหน่ายคลายเห็นร่างกายของเรากับก็ยางงั้นหละหาความสุขได้ที่ไหนอีกสักวันหนึ่งอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวมาวันนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าพวกเราพิจารณาไตรตรองด้วยเหตุด้วยผลแล้วมีเหตุผลสมบูรณ์นะเหตุผลสมบูรณ์พร้อมที่จะชำระพร้อมที่จะทาความเห็นให เป็นธรรมถูกต้องได้ก็เหมือนกับตะกอนเขาเราโ ง, าเางา่เราไม่รู้หนังสือแต่พอเราเรียนรู้หนังสือความโง่ที่ความไม่รู้นั่นก็ตกหายไปเหมือนกับความมืดอยู่นสถานที่ใดอยู่ในถ้ำลึกขนาดไหนเออมันมันอยู่มืดอยู่ที่นั่นกี่กับกี่กันกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่น ก, กี่กี่แสนปีแต่พอจุดแสงสว่างขึ้นไป เท่นั้นแหะความมืดต้องก็หายไปหมดอันนี้ก็เหมือนกันตัวอวิชชาในะจิตในใจของเราเราไม่รู้แต่พอเราพิจารณารู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราปล่อยวางทั้งหมดจิตของเราเข้าสู่อมตะธาตุอมตะธรรมจิตใจที่เป็นจิตใจบริสุทธิ์ นั่นแหละเมื่อจิตใจบริสุทธิ์แล้วก็นั่นแหละแปลว่าหมดจดไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเป็นอนันตการนี่แหละธรรมะธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสรุปแล้วคือมีจุดจบจุดจบคืออะไรคือไม่มาเวียนว่ายตายเกิดหนีออกจากกลกงล้อกรรมเกวียนหนีออกจากสิ่งที่มาที่จะ พามาหมุนเวียนแต่ถ้าว่าพวกเราติดอยู่ในราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีอย่างโลกทั่วๆไปพวกเราก็จะต้องหมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างเนี้ยออกจากชาตินี้ไปแล้วก็กลับมาอีกแล้วแต่สุดแทแต่กลัมที่จะพานำพวกเราไปสู่ในภพภูมิต่างๆมีมากมายเพราะพระพุทธเจ้าท่านรู้แล้วว่าตายแล้วไม่สูน ตายแล้วเกิดอีกสิ่งที่ทําให้เกิดนั่นคืออะไรทํากลัมอันไหนเอาไว้ไปสู่จุดนั้นพระพุทธองค์รู้แนวทางทั้งหมดวิถีทางวิถีกรัมคือการกระทําของสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นพวกเรารู้ได้มาศึกษาได้มาเจอได้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วในภพนี้ชาตินี้ขอขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรำ อย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นให้อยู่ในอภิมานธรรมตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเรื่องการปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้นที่เขาถามหลวงพ่อว่ากายานุปัชนาเจติปฐานปฏิบัติอย่างไรการภาวนาจึงจะไม่สับสนถ้าเรารู้แล้วว่ากายก็ดีเวทนากดีจิตก็ดีธรรมก็ดีจะติปฐานสีนั้นนั่นล่ะ เป็นเบื้องต้นที่พวกเราจะนำมาปรับปุงกายใจของเราให้กำหนดอันไหนก็ได้เมื่อเบื้องกำหนดแล้วก่อนนั่นแหละเทนีเห็นเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบแล้วเราก็พิจารณาถึงอเนกจังทุกขังอนัตตาพิจารณาถึงไตรลักษร่างกายสังขารจนเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตใจก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่มาเวียนว่าย ตายเกิดในวัฏสงสารเป็นอนันตาการนะการพูดกันแสดงทำให้พวกเรา ท, ทุกท่านได้ฟังในะวันนี้ก็เห็นว่าสมควรขอยุติเพียงเท่านี้เอาต่อนไนไ่นง่งภาวนาต่อไป